สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสิบเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบห้าขออย่านําข้าพองเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพองเข้าไปในการทดลองนั้นผมอยากจะแบ่งปันพระคัมภีร์สามตอนด้วยกันในเช้าวันนี้ เมื่อเราถ่อมใจไม่ไว้วางใจตัวเองเราไว้วางใจพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรานั้นเราจะต้องรู้จักตัวเราเองว่าโดยตัวเราเองโดยกำลังของเราเองนั้นเราล้มลงได้เราสะดุดได้เราจึงขอให้พระเจ้านำเราออกจากการทดลองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องล้มพี่น้องครับการล้มต้องลุกครับการสะดุดจะต้องเป็น กลับเป็นขึ้นมาอีกพี่น้องครับเมื่อเรามีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเราต้องตระหนักและรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเราและหลายครั้งทีเดียวเราสะดุดเราล้มลงพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าอย่านำข้าพระองค์ขออย่านาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับ ถามว่าทำไมเพราะเรารู้ว่าความอ่อนแอของเนื้อหนังเรามีมากครับในขณะเดียวกันครับเราต้องถ่อมใจลงพึ่งและไว้วางใจพระเจ้าเพื่อที่เราจะชนะการทดลองพี่น้องครับพระคัมภีร์ทั้งสามตอนนี้ตอนแรกนั้นอยู่ในพระธรรมโรมบทที่สามครับพระธรรมโรมบทที่สามข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบแปดพระธรรมโรมบทที่สามข้อที่สิบ จนถึงข้อที่สิบแปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาต้องปวงเลวสามเหมือนกันสิน้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้ายอยู่ใต้ลิ้นฟีปากของเขาปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อนเท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือดในทางเดินของเขามีความพินาษและความทุกข์และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขเขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลยเพียงครับเราเห็นนะครับว่าในพระธรรมโรมตั้งแต่ข้อที่สิบจนถึง ข้อที่สิบแปดนี้ได้พูดถึงความบาปหรือการไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เราเพราะเนื่องจากว่าเรานั้นได้เกิดอยู่ในความบาปเราจะต้องระวังสิ่งที่เราพูดครับเพราะเราไม่ไว้วางใจปากของเราเองในข้อที่สิบสามครับกล่าวอย่างนี้ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิดงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาอันนี้เป็นอวัยวะแรกครับที่ทำผิดได้ง่ายที่สุดก็คือลิ้นครับคำพูดของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุดเพื่อที่เราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเพราะเราไม่ไว้วางใจปากของเราเองเราจึงต้องขอพระเจ้า ช่วยเราในการที่เราจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดอันนี้เป็นอวัยวะแรกครับคือลิ้นหมายถึงคำพูดของเราไอ้สองครับก็คือเท้าของเราในข้อสิบห้าครับเพราะเราไม่ไว้วางใจเท้าของเราเราจะต้องระมัดระวังที่ที่เราจะไปสถานที่ที่เราจะไปครับเราต้องระมาระวัาางนะครับในข้อสิบห้า ได้ลกล่าวว่าเท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด <c oughs> ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์พี <c oughs> ่น้องครับ <c oughs> ต้องระมัดระวังเท้านะครับหมายถึงสถานที่ที่เราจะไปสถานที่ <c oughs> ที่เราจะไปนั้น มีความสำคัญมากครับเราจะต้องไม่ไปที่ที่อะโคจรคือที่ที่เราไม่ควรไปอันที่สามครับเพราะเราไม่ไว้ไวางใจตาของเราเราก็จะต้องระวังสิ่งที่เราจะดูปรากฏอยู่ในข้อสิบแปดในข้อสิบแปดนั้นในฉบับภาษาไทยปแปลไม่ชัดเจนครับ แต่ถ้าเรากลับไปดูในฉบับภาษาอังกฤษเราจะรู้เลยครับว่าตาครับว่าความเกลงกลัวพระเจ้านั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในตาของเขาเลยพี่น้องครับตานั้นเป็นหน้าต่างของความคิดและหัวใจความเยีเกลงพระเจ้าสังเกตได้จากที่ตาครับเพราะว่าตานั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจเป็นหน้าต่างของจิตใจ เป็นหน้าต่างของความคิดเป็นรองครับความคิดของเราแสดงออกมาที่สายตานะครับสายตาที่เก่งกลัวพระเจ้ากับสายตาแห่งความเย่อหยิ่งมองออกครับจากตรงนี้นี่เองทําให้เราได้เห็นถึงหลักการหนึ่งก็คือว่าเพราะเราไม่ไว้วางใจตาของเราเราก็จะต้องระวังกับที่จะ ดูหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราต้องาาระมัดระวังที่จะดูสิ่งที่เราควรจะดูเราต้องระมัดระวังที่จะไม่ดูในสิ่งที่เราไม่ควรดูนะครับข้อต่อไปครับกลับมาดูที่ข้อสิบเอ็ดครับข้อสิบเอ็ดนั้นทําให้เรารู้ว่าเพราะเราไม่ไว้วางใจความคิดของเรานะครับเราไม่ไว้วางความคิดของเรานะครับ เพราะว่าความคิดของเรานั้นมันก่อเกิดทำให้เราเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดได้เพราะเจะน้นาพระเจ้าในข้อสิบเอ็ดครับกล่าวว่าอย่างนี้ว่าไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าเห็นไหมครับความเข้าใจนะครับทำให้เราเกิดการแสวงหาพระเจ้าการต้องการความรู้ในเรื่องของพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นนั้นก็ทำให้เราเกิดการอยากความปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นครับถ้าเราอยากจะเข้าใจอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนั่นแหละครับจะมีจิตใจแห่งการแสวงหาพระเจ้าจะเป็นแรงจูงใจและผลักดันที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นได้เข้ามาใกล้กับพระเจ้าเนนครับเพราะเหตุที่เรา ไม่ไว้วางใจความคิดของเราเราก็ต้องระวังครับเพราะว่าความคิดของเราจะทำให้เราเข้าใจพระเจ้าผิดๆถ้าเราคิดเองแต่ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างถูกทางนะครับเราจะได้ความเข้าใจและรู้ใจกับพระเจ้าคาว่าถูกทางนี้ก็คือต้องแสวงหาผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าสถานเดียวพี่น้องครับสถานเดียวไม่มีทางอื่นที่เราจะรู้ักกับพระเจ้าได้ ด้วยความคิดด้วยหลักปัญญาด้วยแรยงต่างนั้นจะไม่มีทางได้เพราะว่าพระกัมภีร์นั้นเป็นช่องทางของการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าที่มาถึงมนุษย์คําสอนที่เกิดจากพระกัมภีร์ที่สอนอยู่ตามครัศจักรก็จะต้องเป็นคําสอนที่ถูกต้องถูกต้องกับหลักการต่างๆในพระกัมภีร์ถูกต้องกับหลักคําสอนถูกต้องกับหลักการทางศาสนา ที่ได้สุกกันกรองมาแล้วพี่น้องครับนี่คืออาหารที่ทำให้เราเติบโตนี่คือการสร้างความสัมพันธ์เป็นอาหารแห่งจิตใจเพื่อที่เราจะเข้าใจและรู้จักกับพระเจ้าพระกัมภีอีกสองตอนนะครับในมัทธิวบทที่สิบห้าข้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบมัทธิวบทที่สิบห้าข้อที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดสิ่งใดซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายลงช่วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั่นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนถินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละทําให้มนุษย์เป็นมนถิน แต่เช่นจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทําให้มนุษย์เป็นมนตินพี่น้องครับพระเยซูกําลังสอนสาวกของพระองค์ว่าสิ่งที่ออกมาจากใจนะครับสิ่งที่ออกมาจากใจนะครับก็ออกมาที่ปากนะครับและสิ่งที่ออกมาจากใจทําให้มนุษย์เป็นมนตินครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องสิ่งนั้นเป็นความบาป พระคัภีพอีกตอนหนึ่งครับในเยเรมีบทที่สิบเจ็ดข้อที่เก้าเยเรมีบทที่สิบเจ็ดข้อที่เก้าและข้อที่สิบโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมซามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าเราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจ เพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาพี่น้องครับพระมพีตอนหนึ่งที่เสริมเข้ามาก็คือว่าจงระวังรักษาใจของเจ้าทุกด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องครับจิตใจของเรานั้นมันหวั่นไหวครับจิตใจของเรานนัเป็นตัวล่อหลวงอย่างดีเสื่อมสามครับใครจะรู้จักใจนอกจากพระเจ้าพี่งกรับพระเจ้านั้นตรวจค้นดูจิต และทดลองดูใจและโปรงจะทรงประทานทุกอย่างอย่างยุติธรรมครับโปรงจะพิพากษาอย่างยุติธรรมโปรงจะให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาเพราะเหตุที่เราไม่ไว้วางใจตัวเองครับเราจึงอธิษฐานไม่ไว้วางใจหัวใจของเราไม่ไว้วางใจความคิดของเราไม่ไว้วางใจตาของเราหูของเราปากของเรา เท้าของเราพี่น้องครับทำให้เราจะต้องอธิษฐานว่าขออย่านำค่าโปรงเข้าไปในการทดลองอาเมน